สุราปานวกหนึ่งสุราปานสิกขาบทถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีเพราะเดื่มสุราและเมรัยณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงโคสัมพีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบท่านพระสากตะถามเพราะเรื่องอะไร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 ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวพิสูจสัตตะสวะัคีเล่นน้ำในแม่น้ำอจิราวดีในหะสะธรรมศึกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุธฐานแห่งอาบัตหกสมุธฐานเกิดด้วยสมุธฐานหนึ่งสมุธฐานเคยเกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจา 4. อนาทเริยศึกขาบทถาม ทรงบัญญัติปลาจิตตีเพราะไม่เอือ้อเฟื้อณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงโกสมัมีถามทรงปลารบใครตอบทรงปรารพ ท, ท่านพระชนนะถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระช น, นะทาความไม่เอือ้อเฟื้อในอนาธิริยาศกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุฐานแห่งอาบัตหกสมุฐานเกิดด้วยสมุฐานสามสมุฐาน ห้าพิงสาปะนสิกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตติแก่ภิกษุผู้ทําให้ภิกษุตกใจณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารคใครตอบทรงปราบโรคพวกภิกษุฉัพคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉัพคีทําให้ภิกษุตกใจในพิงสาปะนสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติ บรรดาสมุทฐานแห่งอาบาตหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสมสมุทฐาน 6. โชติกะศิขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ก่อไฟพิงณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณภะคชนบทถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่พิกษุหลายรูปช่วยกันก่อไฟผิงในโชติกระศิษขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติสองพระอนุบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหสมุทฐาน 7. หนาหาหนะศิษขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตีแกภิกษุผู้เมื่อยังไม่ถึงครึ่งเดือนอาบน้ำณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงราชคร ถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปแม้เห็นพระราชาแล้วก็ยังอาบน้ำไม่รู้ความพอดีในหนาหนาสิขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหกพระอนุบัญญัติถามมีสัพพะบัญญัติปเทสะทบัญญัติอยู่หรือตอบมีปเทสะบัญญัต บรรดาสมุทฐานแห่งอาบัต6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานเป็นเอละกะลมะมสมุทฐาน 8. ทุพพันธ์นกรณะึกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ได้จีวรใหม่แล้วไม่ใช่วัตถุที่ทำให้เสียสีสามชนิดอย่างใดอย่างหนึ่งณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบ ทรงปราภิิษุหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พิกษุหลายรูปจำจีวังของตนไม่ได้ในทุพภณนะกรณะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานหนึ่งอาบัตหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานเป็นเอละกะโลมาสมุทฐาน 9. ก้าวิคปณะสิกขาบทถาม ทรงบัญญัติปาจิตีแก่ภิกษุผู้วิกคราะหจีวรด้วยตนเองให้แก่ภิกษุหรือแก่ภิกษุณีหรือแก่ศิกขานาหรือแก่สามเณรหรือแก่สามเณรีแล้วใช้สอยจีวรที่ยังมิได้ปัจจุทรณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบท่านพระอุปนันทสากยะบดถามเพราะเรื่องอะไร ตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระอุปนันทสากยญบุตรวิกครจีวรด้วยตนเองแก่ภิกษุแล้วใช้สอยจีวรที่ยังไม่ได้ปัจจุทอนในวิกคระาะปณสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานเป็นกถินญะสมุทฐาน 10. จีวระอปนิธานสิกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุ ผู้เอาบาดหรือจีวรผ้าปูนั่งกลองเข็มหรือประคดเอวของภิกษุไปซ่อนณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบผู้ภิกษุชาวคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พว้ภิกษุชาวคีเอาบาทบ้างจีวรบ้างผ้าปูนั่งบ้างกลองเข็มบ้าง ประคดเอวบ้างของภิกษุไปซ่อนในจีวราอาปนิธานศิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหสมุทฐานเกิดด้วยสมุธฐานสมสมุธฐานสุราเมระยะวรที่หจบรวมศิกขาบทที่มีในสุราปานวัคห 1. สุราปานาศิกขาบทว่าด้วยการดื่มสุราและเมไร 2. อ, อังคุลิปโตทะกะศึกขาบทว่าด้วยการใช้นิ้วมือจี้กันละกัน 3. หาสธรรมมาศึกขาบทว่าด้วยการเล่นน้ำา 4. อนาธริยะศึกขาบทว่าด้วยการไม่เอื้อเฟื้อต่อคำตักเตือน 5. พิงสาปนัสศึกขาบทว่าด้วยการทำให้ตกใจ 6. โชติกะศึกขาบทว่าด้วยการก่อไฟผิง เจ็ดณะศึกขาบทว่าด้วยการส่งน้ํานอกสมัย 8. ทุพันนากรณะศึกขาบทว่าด้วยการทําจีวรใหม่ให้เสียสี 9. วิกาปณะศึกษาบทว่าด้วยการวิกับจีวร 10. จีวรอปนิธานศึกขาบทว่าด้าวย ก, ก, ก, การซ่อนจีวร สปาณกวักหนึ่งสันจิตจะศิกขาบทถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้จงใจปรุงชีวิตสัตว์ณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบท่านพระอุทายีถามเพราะเรื่องอะไร ตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระอุทายีจงใจปรงชีวิตสัตว์ในสันจิต จ, จะศึกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสมสมุทฐาน 2. ส, สังซาปานาะศึกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตติไกภิกษุผู้รู้อยู่ว่าน้ำมีสัตว์มีชีวิตก็ยังบริโภคณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถี ถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบผู้พิษุชาพคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ผู้พิสุชาพคีรู้อยู่ว่าน้ํามีสัตว์มีชีวิตยังบริโภคในสัพปานกกะศึกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสมสมุทฐาน 3. อุโ ก, โกตะนะศึกขาบท ถามทรงบัญญัติปาจิตติกแก่พิสุผู้รู้อยู่หรือฟื้นอธิกรณ์ที่ตัดสินไปแล้วอย่างถูกต้องเพื่อพิจารณาใหม่ณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปราลบใครตอบทรงปรารบผู้พิสุฉพคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ผู้พิสุฉพคีรู้อยู่หรือฟื้นอธิกรณ์ที่ตัดสินไปแล้วอย่างถูกต้อง เพื่อพิจารณาใหม่ในอุโกโตนะศึกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุธฐานแห่งอาบัตห6สมุธฐานเปิดด้วยสมุธฐานสมสมุธฐาน 4. ทุทุนละศึกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตติใัรภิกษุผู้รู้อยู่ปกปิดอาบัตชั่วหยาบณ์ณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารลใครตอบ ทรงปรารบภิกษุรูปหนึ่งถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่งรู้อยู่ปกปิดอาบัตชั่วยยาของภิกษุในทุตุนลสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัต6หสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานคือเกิดทางกายวาจากับจิต 5. อูณวีสติวะสสิกขาบทถาม ทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้รู้อยู่อุปสมบทให้บุคคลผู้มีอายุย่อนกว่า20ปีณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงราชครื้ถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปรู้อยู่อุปสมบทให้บุคคลผู้มีอายุย่อนกว่า20ปี ในอุณวีสติวัสสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสมสมุทฐาน 6. เทยยสัทธาสิกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตติใกรภิกษุผู้รู้อยู่ชักชวนกันเดินทางไกลร่วมกับกลุ่มพ่อค้ากุเียนผู้เป็นโจรณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารกใคร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 ตอเพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่งชักชวนกันเดินทางไกลร่วมกันกลับมาธุคามในสังวิธานสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสีสมุทฐาน 8. อริธาสิกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตตีข่ภิกษุผู้มิสละทิฏฐิบาปจนกระทั่งสงสวดสมนุภาพครบสามครั้งหน้าที่ไหน ตอบทรงบัญญัตินากรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุชื่ออริ tha ผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแรง้งถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุชื่ออริ tha ผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแรง้งไม่ละทิฏฐิบาปจนกระทั่งทรงสวดสมานุภาพครบสามครั้งในอริ tha สิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติ บรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานเคอเกิดทางกายวาจากับจิต 9. อุคิตะสัมโพคะสิกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตรีแก่ภิกษุผู้รู้อยู่ก็ยังคบหากับภิกษุผู้กล่าวตูอย่างนั้นผู้ที่สงยังไม่ได้ทำธรรมอันสมควรผู้ยังไม่ยอมสลทิฐินั้นณที่ไหน ตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวทถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกพิสุชาพาคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกพิสุชาพาคีรู้อยู่ก็ยังคบหากับพิสุอริธ h ผู้กล่าวโตวอย่างนั้นผู้ที่สงยังไม่ได้ทำธรรมอันสมควรผู้ยังไม่สละทิฏฐินั้นในอุขิตะสัมโพคัสสิกาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัต บรรดาสมุทฐานแห่งอาบัดหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสามสมุทฐาน 10. กันตะกะศึกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตติแกกภิกษุผู้รู้อยู่ก็ยังปลอบโยนสมนุเทศผู้ถูกสงนาสนะแล้วอย่างนั้นณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบผู้พิษุชากคีถามเพราะเรื่องอะไร ตอบเพราะเรื่องที่พวกพิสุชาพาคีรู้อยู่ก็ยังปลอบโยนสมนุเทศชื่อกันตะกะผู้ถูกสงนาสนะแล้วอย่างนั้นในกันตะกะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุฐานแหน่งอาบัตห6สมุฐานเกิดด้วยสมุฐานสมสมุฐานสปานากะวักที่7จบรวมสิกขาบทที่มีในสัปานากะวักหนึ่งสันจิตจะสิกขาบท ว่าด้วยความจงใจปรงชีวิตสัตว์ 2. สั ป, ปานากะสิกขาบทว่าด้วยการบริโภคน้ำที่มีสัตว์มีชีวิต 3. อุโกโตนาสิกขาบทว่าด้วยการรื้อฟื้นอธิกรณ์ขึ้นมาพิจารณาใหม่ 4. ทุทุนลศสิกขาบทว่าด้วยการปกปิดอาบัตช่วยยาบ 5. อุนวิสติวสะสิกขาบท ว่าด้วยการอุปสมบทให้บุคคลมีอายุย่อนกว่า20บปี 6. เถอยยสัทธาสิกขาบทว่าด้วยการเดินทางไกลร่วมกับพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจร 7. สังวิธานสิกขาบทว่าด้วยการชักชวนเดินทางไกลร่วมกับมาตุคาม 8. อริธาสิกขาบทว่าด้วยพระอริธะกล่าวตูพระผู้มีพระภาค 9. อุขิตะสัมโพคสิกขาบทว่าด้วยการคบหาภิกษุที่ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมสิบการตะกะสิกขาบทว่าด้วยสมนุเทชื่อกันตะกะถูกสงนาสนะ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 ณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณปุงโกสัมีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบท่านพระชนนะถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระช น, นะผู้อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเกื้ออยู่โดยชอบธรรมกลับกล่าวว่าท่านทั้งหลายกระผมจะยังไม่ศึกษาในศิขาบทนี้จนกว่าจะได้สอบถามภิกษุรูปอื่นผู้ฉลาดผู้เป็นวินัยทร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 ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกพิสุชาพักคีดูมินพระวินัยในวิเลคณะศึกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสามสมุทฐาน 3. โมหณะศิกษาบทถามทรงบัญญัติปาจิตตีเพราะแส้งทาผู้อื่นให้หลงณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินักรงสาวัตถี ถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบผู้พิสษุน์ชาพาคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ผู้พิสษุน์ชาพาคีแซงทำผู้อื่นให้หลงในโมหณะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสมสมุทฐาน 4. ปหารสิกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้โกรธไม่พอใจ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 ด้วยอาบัตสังคาทิเศษที่ไม่มีมูลนณะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณโกรงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกพิสุชภักคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ผู้พิสุชภัคีใส่ความพิสุ ด, ด้วยอาบัตสังคาทิเศษที่ไม่มี ม, มูลในอมมละกะาสกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหสมุทฐาน ด้วยสมุธฐานสามสมุธฐาน 7. สันจิตจะศึกษาบทถามทรงบัญญัติปลาจิตตีแก่ภิกษุผู้จงใจก่อความรำคาญให้แก่ภิกษุณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปราบพวกภิกษุชาวพคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุชาวคี จงใจก่อความรำคาญให้แก่ภิกษุในสันจิตจะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสมสมุทฐาน 8. อุปสุติสิกขาบทถามทรงบัญญัติปลาจิตติแก่ภิกษุผู้ยืนแอบฟังภิกษุทั้งหลายผู้บาทหมางทะเลาะวิวาทกันณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารคใคร ตอบทรงปราบพวกพิสุชาพคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกพิสุชาพคียืนแอบฟังพิสุทั้งหลายผู้บาดหมางทะเลาะวิวาทกันในอุปสุติศิขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุธฐานแห่งอาบาดหสมุธฐานเกิดด้วยสมุธฐานสองสมุธฐานคือ 1- เกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจา 2. เกิดทางกายวาจากับจิต เกากรร ม, มปฏิภาหณะสิกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตีแก่ภิกษุผู้ให้ฉันทะเพื่อกรรมที่ทำถูกต้องแล้วกลับติเตียในภายหลังณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณโกรงสาวะถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบผู้ภิกษุชาวพาักีถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่ผู้พิสษุ์ชาพัคีให้ฉันทะเพื่อ ก, กรรมที่ทำถูกต้องแล้วกลับติเตียนในภายหลังในกรรมมปฏิภาหาะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสมสมุทฐาน 10. ฉันทะอาทัตวาคมณะสิกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ิกษุผู้เมื่อยังมีเรื่องที่ต้องวินิจฉัยอยู่ในสง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 มีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัติหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานเคอเกิดทางกายวาจากับจิต 11. ทัพพระสิกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตตี๋ก่ภิกษุผู้ร่วมกับสงฆ์ผู้พร้อมเพลียงกันให้จีวรไปแล้วกลับติดเตียในภายหลังณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงราชครือถามทรงปรารบใคร ตอบทรงปราบพวกพิษุชาพคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกพิสุชาพคีร่วมกับสงฆ์ผู้พร้อมเพลียงกันให้จีวรไปแล้วกลับติเตียนในภายหลังในทัพสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสมสมุทฐาน 12. ปรินามณสิกขาบท ถามทรงบ pues ัญญัติปาจิตีแก่พิกษุผู้รู้อยู่น้อมราบที่เขาน้อมไว้เป็นของจะถวายสง์ไปเพื่อบุคคลณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบผู้พิษุชาพคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ผู้พิสุชาพัคีรู้อยู่น้อมราบที่เขาน้อมไว้เป็นของที่จะถวายสง์ไปเพื่อบุคคล ในปรินามะศิกษาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสมสมุทฐานสหธรรมิกกวักที่8จบรวมศิกษาบทที่มีในสหธรรมิกกวัคหนสหธรรมิกศิกษาบทว่าด้วยการกล่าวตักเตือนผู้ร่วมประพฤติ ธ, ธรรมโดยชอบธรรม 2. วิเลคณะศึกขาบทว่าด้วยความยุ่งยากแห่งศิกษาบท สมโมหะศึกษาบทว่าด้วยการทําให้ผู้อื่นหลง 4. ปหาราศึกษาบทว่าด้วยการทําร้ายเพื่อนภิกษุ 5. ตละสัตติกะศึกษาบทว่าด้วยการเงื้อห่อคือฝ่ามือขึ้น ท, ทําทีว่าจะทําร้าย 6. กอมูลกะศึกษาบทว่าด้วยการใส่ความด้วยอาบัตสังคาทิเซที่ไม่มีมูล 7. สันจิตจะศึกษาบท ว่าด้วยการจงใจก่อความรำคาญ 8. อุปสุติศึกษาบทว่าด้วยการแอบฟังภิกษุทะเลาะกัน 9. ก้ารร ม, มปฏิภาหณะศึกษาบทว่าด้วยการคัดค้านกรรมที่ถูกต้อง 10. ฉันทะอาทัตวาคัมณะศึกษาบทว่าด้วยการไม่ให้ฉันทะแล้วไปเสีย 11. ทับพบศึกขาบทว่าด้วยการถวายจีวรแก่พระทับพบมรบุตร 12. ปรินามนศิขาบทว่าด้วยการน้อมลาบสงไปเพื่อบุคคล 9. ราชวัครรัตนวัตร์ 1. อันเตปุราศิขาบทถาม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 เข้าไปพระราชฐานชั้นในในอันเตปุราศิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานเป็นกระถินญะสมุทฐาน2รัตนศิกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตติไกภิกษุผู้เก็บรัต น, นะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใคร ตอบทรงปรารลภิกษุรูปหนึ่งถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พิกษุรูปหนึ่งเก็บรัตนาะในรัตนาสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติสองพระอนุบัญญัติบรรดาสมุทฐานแหน่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหสมุทฐาน 3. วิกาละคามะเปเวชนะสิกขาบทถาม ทรงบัญญัติปาจิตตีแครพิษุผู้ไม่บอกลาภิกษุที่มีอยู่แล้วเข้าหมู่บ้านในเวลาวิการณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบผู้พิษุฉาพัคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ผูพ้พิกษุชาพัคีไม่บอกลาภิกษุที่มีอยู่แล้วเข้าหมู่บ้านในเวลาวิการ ในวิกาลขามะประเวชนะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติสามพระอนุบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานเป็นกถิ น, นะสมุทฐาน 4. สูจิคราสิกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตติแกภิกสุผู้ให้ทำกล่องเข็มด้วยกระดูด้วยงาหรือด้วยเขาณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณแควนสักกะ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 ทรงบัญญัติปาจิตีแก่ภิกษุผู้ให้ทำเตียงหรือต่างเกินขนาดณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบท่านพระอุปนันทสกากยบุตรถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระอุปนันทสกากยบุตรนอนบนเตียงสูงในมันจี๊ปีตสกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัต บรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหสมุทฐาน 6. ตูโลนัทธสขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตีแก่ภิกษุผู้ให้ทำเตงหรือต่างหุ้มนุ่นณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบผู้ภิกษุชาวพาคัคีถามเพราะเรื่องอะไร ตอบเพราะเรื่องที่พวกพิสษุชาพาคีให้ทำเตียงหรือต่างหุ้มด้วยนุ่นในตูโลนทะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุธฐานแห่งอาบัตหกสมุธฐานเกิดด้วยสมุธฐานหสมุธฐาน 7. นิสีธนสิกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตีแก่พิษุผู้ให้ทำผ้ารองนั่งเกินขนาดณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรงสาวัตถี ถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบผู้พิสุชาพคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ผู้พิสุชาพคีใช้ผ้ารองนั่งไม่ได้ขนาดในนิสีธนะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหสมุทฐาน 8. กันทุ ป, ปฏิชาธิสิกขาบท ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแข่พิกษุผู้ให้ทำผ้าปิดฝีเกินขนาดณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณนะกรงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบผู้พิสุฉาพาคัคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ผู้พิสุฉาพาคัคีใช้ผ้าปิดฝีไม่ได้ขนาดในกันทูปปฏิชาทิ่สิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติ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 เพราะเรื่องที่พวกภิกษุชาภพาคัคีใช้ผ้าอาบน้ำฝนไม่ได้ขนาดในวัดศึกษาติกาศึกษาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหสมุทฐาน 10. นันทศิกษาบทถามทรงบัญญัติปาจิตติากภิกษุผู้ให้ทาจีวรมีขนาดเท่ากับสุคตจีวณณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรงสาวัตถี ถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบท่านพระนันทะถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระนันทะข่มจีวรมีขนาดเท่ากับสุคตจีวรในนันทศิกษาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหกสมุทฐานราชาวัชที่เกจบรวมศิกษาบทที่มีในราชวัช 1>, 1. อันเตปุระสิกขาบทว่าด้วยการเข้าเขยพระราชฐานชั้นในสรัตนสิกขาบทว่าด้วยการเกบดรัตนะที่เจ้าของลืมไว้ 3. วิกาละคามะระเวชนสิกขาบทว่าด้วยการเข้าบ้านในเวลาวิกาล 4. สูจิคระสิกขาบทว่าด้วยการทำกล่องเข็มด้วยกระดูกเป็นต้น 5. มันจะปีถาสิกขาบท ว่าด้วยการทําเตียงและต่าง 6. ตูโลนทะศึกขาบทว่าด้วยการทําเตียงและต่างหุ้มนุ่น 7. นินสีธนะศิกขาบทว่าด้วยการทําผ้ารองนั่ง 8. กันทุ ป, ปฏิชาธิศิกขาบทว่าด้วยการทําผ้าปิดฝี 9. ก้าวสิษาติกาศึกขาบทว่าด้วยการทําผ้าอาบน้ําฝน 10. นันทะศึกขาบทว่าด้วยท่านพระนันทะ ปาจิตติก้าสิบกษาบทจบคุทกศิกขาบทจบบริบูรณ์รวมวรักที่มีในปาจิตติยักัน 1. มุสาวาทวักหมวดว่าด้วยการกล่าวเท็จ 2. ภูตคามวรคหมวดว่าด้วยภูตคาม 3. โอวาทวักหมวดว่าด้วยโอวาด 4. โภชนะวักหมวดว่าด้วยโภชนะ 5. อเจลกะวัก หมวดว่าด้วยนักบวชเปลือย 6. สุราปานัวักหมวดว่าด้วยการเดิมสุรา 7. จ็ดสัปปานกะวักหมวดว่าด้วยสัตว์มีชีวิต 8. สหธรรมิกกะวักหมวดว่าด้วยผู้ร่วมประพฤติ ธ, ธรรม 9. ราชวักหมวดว่าด้วยพระราชา